แนะนำบทยูนุสบทยูนุสเป็นบทมัคคิยะมีร้อยเก้าอง์การที่ความสนใจต่อการศรัทธาเช่นการศรัทธาต่อเลาะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรศรัทธาต่อบรรดาศาสนาธูตและศรัทธาต่อการฟื้นขืนจีพและการตอบแทนพันบทที่มีจุดเด่นในการชี้แนะไปสู่การศรัทธาต่อคัมภีร์อังกุราะซึ่งเป็นคัมภีรเล่มสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาและ เป็นปาฏิหารยั่งยืนยงอยู่ชั่วกาลนานในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงเรื่องศาลและาศาสนทูตของอัลลอฮ์ไม่มีประชาชาติใดที่อุบัติขึ้นมานอกจากว่าอัลลอฮ์ทรงส่งสาศาสนทูตเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องและพื้นฐานแห่งความัมพันธ์ระหว่างพระผู้สร้างและผู้ถูกสร้าง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 โดยแจ้งให้ทราบว่าคำพีเอนอัลกุรอานนี้คือปาฏิหาริย์ที่ยั่งยืนที่ยืนยันถึงความสัจจะของท่านนาบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นและยังคงเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกะและเป็นปาฏิหาริย์โดยการท้าทายพวกปฏิเสธให้ประพันธ์มาสักบทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันพวกเขาสามารถทั้งๆ ท, ท, ที่พวกเขาเป็นเจ้าแห่งอูฮาน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 และการให้เอกภาพแก่อาลกได้นำมากล่าวถึงพร้อมด้วยหลักฐานทางด้านโสตประสาทแห่งสติปัญญาบทนี้ยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดับีบางท่านเช่นเรื่องของดับีนัวกับกลุ่มชนของท่านเรื่องของนบีมูซากับฟิรูโอลผู้เกลี้ยกล่อมและเรื่องของดบียูนสุสซึ่งชื่อของท่านเป็นชื่อของบทนี้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 ซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงตัดสินชี้ขาดที่ดียิ่งด้วยพระนามของลอปุษงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามรอทิลกอายยุลคิทาบิล ح ك ีมอลิฟลามรอ เหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคำพี่อนันชัดเจน เป็นเรื่องประหลาดแก่มนุษย์หรือที่เราได้ประธานองค์การแก่ชายคนหนึ่งจากพวกเขาให้ตักเตือนมนุษย์และแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าแท้จริงสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับตำแหน่งอันสูงณนะที่พระผู้อภิบาลของพวกเขาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า แท้จริงนี่คือนักมายากลอย่างแน่นอน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 อยังพระองค์เท่านั้นคือทางกลับของพวกเจ้าทั้งหลายสัญญาของลอ น, นั้นเป็นจริงเสมอถ้าจริงพระองค์นั้นทรงเริ่มการสร้างและพระองค์ทรงให้มันบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อทรงตอบแทนบรรดาผู้ศรัทธาและผู้กระทำความดีอย่างยุติธรรม ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัตนนั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มที่ร้อนจัดและการลงโทษอันเจ็บแสบเพราะพวกเขาปฏิเสธศรัทธา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 แท้ ah al จริงการสับเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันและการที่อลัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนที่มีความยำเกรก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 และบรรดาผู้ละเลยต่อสัญญาณต่างๆของเราออูลมมาุนนบบยกชนเหล่านั้นที่พำนักของพวกเขาคือนรกเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขนขวายเอาไว้นัีน แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีพระผู้ใบาลของพวกเขาจะท่งชี้แนะทางน้ำที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาเนื่องด้วยการศรัทธาของพวกเขาภายใต้พวกเขามีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านซึ่งอยู่ในสวนสวรรค์อันกเกษมสำราญ ه ه ه ه การขอพอรของพวกเขาในสวนสวรรค์คือมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ท่านโอ้อัลลอฮ์และคำทักทายของพวกเขาในนั้นคือความสันติและสุดท้ายแห่งการขอพอรของพวกเขาคือการสรรเสริญ เป็นของอัลลอ์พระผู้อวิบาลแห่งสามคนโลก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 แล้วเมื่ออันตรายได้ประสบกับมนุษย์เขาก็จะวิ่งวอนขอเราในสภาพนอนตะแคงหรือนั่งหรือยืนครั้นเมื่อเราปลดเปลื้องอันตรายของเขาให้พ้นไปจากเขาแล้ว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 นนและเมื่อบันดาองการอันชัดแจ้งของเราถูกอ่านแก่พวกเขาแล้วบันดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเราก็กล่าวว่าท่านจงนำคัมอานอื่นจากนี้มาให้เราหรือเปลี่ยนแปลงเสียจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าไม่สมควรแก่ฉันที่จะเปลี่ยนแปลงโดยพละการจากตัวฉันเองฉันจะไม่ปฏิบัติตามเว้นแต่สิ่งที่ถูกประธรนลงมาให้แก่ฉันเท่านั้นแท้จริงฉันกลัวว่าหากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉันแล้วจะได้รับการลงโทษในวันอันยิน่งใหญ่าาเลว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 ดังนั้นผู้ใดแล้วอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่อหรอหรือผู้ปฏเิเสธต่อบรรดาโองค์การทั้งหลายของพระองค์จริงบรรดาผู้ทำผิดนั้นย่อมไม่บรรลุความสมบรณ์ ويعبدون َََُُ من دون ُ الله َِّ ما َ لا يضرهم ُُ ولا ََ ينفعهم ُْ ويقولون َََُ هؤلاء شفاعنا ُ عند َ الله قل ُ أ ت ُ ل َ ب ِّ ئ ُ و ن َ ا ل ل َّ ه ِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمْ َّ และพวกเขาจะเคารพพักดีสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ที่ไม่ได้ให้โทษแก่พวกเขาและไม่ได้ขุนแก่พวกเขาและพวกเขาจะกล่าวว่าเรานี้คือผู้ช่วยเหลือเรานะที่อัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะแจ้งข่าวแก่อัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ในบรรดาลชั้นฟ้าและแผ่นบินกระ น, น, นั้นหรือพระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และทรงสูงส่ง เนนื้้อส่งทีีพกขขาาตัึและมนุษย์นั้นไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นประชาชาติเดียวกันและพวกเขาก็แตกแยกกัน และหากไม่ใช่ลิขิตได้บันทึกไว้ที่พระผู้อภิบาลของเจ้าแล้วแน่นอนก็คงตัดสินระหว่างพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน และพวกเขากล่าวว่าทำไมอภินิหารจากพระผู้บานของเขาจึงไม่ถูกประทานลงมาให้เขาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงสิ่งเร้นลับนั้นเป็นของอัลลอ์พวกเจ้าจงคอยดูเถิดแท้จริงฉันนั้นอยู่กับพวกเจ้าในหมู่ผู้รอคอย َإِذَا أَذَقْنَ إِذَا النَّاسَ ضَرَّاءَ آيَاتِ نَا قُلِ مِنْ لَهُمْ اللَّاهُ مَسَّتْهُمْ أَسْرَعُ رَحْمَتَمْ مَكْرُمْ مَكْرَنْ رُسُلَنَا بَعْدِ فِي يَكْتُبُونَ และเมื่อเราได้ให้มนุษย์ได้ลิมรถความเมตตาหลังจากภัยอันต ร, รายได้ประสบแก่พวกเขา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 وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاهم الموج من كل مكان وجاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين อพระองค์ทรงให้พวกเจ้าเดินทางโดยทางบกและทางทะเลจงกระทั่งเมื่อพวกเจ้าอยู่ในเรือและมันได้นําพวกเขาแล่นไปด้วยลมที่ดีและพวกเขาดีใจกับมันทันใดนั้นลมพายุได้พัดกระหนำ่ำและคลื่นก็ซัดมาอย่างพวกเขาจากทุกด้าน และพวกเขาคิดว่าแท้จริงพวกเขาถูกล้อมด้วยสิ่งเหล่านั้นพวกเขาจึงวิงวอนขอต่อลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ว่าหากพระองค์ทรงให้เราพ้นภัยอันตรายนี้แน่นอนยิ่งพวกเราจะอยู่ในหมู่ผู้กระตันบูทั้งหลาย มมครั้นเมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขารอดมาและพวกเขาก็ทําความเสียหายในแผ่นดินโดยปราศจากความเป็นธรรมโอ้มนุษย์เ อ, อ๋ย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 فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس و ا ل أ ع ا م حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. แท้จริงอุปมาชีวิตในโลกนี้ดังน้ำฝนที่เราได้หลั่งลงมาจากฟ้าฟ้ า, ฟาพืชของแผ่นดินได้คละเคล้ากับน้ำนั้น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 และเราส่งเรียกร้องไปสู่สถานที่แห่งสันติและส่งชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่ปรองทรงประสงค์ไปสู่ทางที่เที่ยงธรรม